ยิ่งบุญมากเท่าไหร่จิตยิ่งต้องเห็นความจริงชัดขึ้นเท่านั้นเบื้องปลายพุทธศาสนาให้ไปทิ้งอะไรให้ไปทิ้งความยึดมั่นถือมั่นด้วยมัคคาคือทางที่พระพุทธองค์ปูไว้ให้แล้วพร้อมสับเรื่องทิฏฐิหรือความเห็นหรือการตั้งมุมมองพุทธศาสนาให้ถูกต้องตรงทางนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำรวจตัวเองกันได้ง่ายๆเหมือนอย่างการสำรวจศีลเพราะแนวคิดอันเป็นยอดสุดของพุทธนั้นข้านกับสามัญสำนึกของปุถุชนคนธรรมดาอาจเปรียบเทียบง่ายๆว่าเบื้องต้นพุทธศาสนาชวนให้มาสู่หุบเขาแห่งหนึ่งตามทางกองไว้ด้วยข้าวของเงินทองนับไม่ถ้วนสาหรับคนอยู่ไกล ย่อมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าจะมีอะไรอย่างนั้นจริงแต่พอลองไปแล้วก็พบว่าเป็นอย่างที่ประกาศจริงๆคนธรรมดาย่อมหอบเงินทองกลับมาบำรุงความเป็นอยู่ของตนให้สุขสบายมั่นคงแล้วหยุดความปรารถนาอยู่แค่นั้นแต่จะมีไม่กี่คนที่รับฟังผู้แจกเงินทองว่าที่แจกเนี่ย ความจริงตั้งใจให้เดินทางต่อไปยังมีที่หมายอันประเสริฐกว่าหุบเขาเงินทองนี้อยู่เมื่อถามต่อว่าจะให้ไปไหนมีประโยชน์อะไรผู้แจกเงินก็ตอบว่าอยากให้ได้ไปในสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้ทรัพสมบัติไม่ต้องแสวงหาทรัพสมบัติไม่ต้องรักษาทรัพสมบัติอีกเลย พอได้ยินเช่นนี้ปุถุชนทั้งหลายย่อมพงะเพราะนั่นแปลว่าเมื่อไปถึงที่นั้นสมบัติแสนรักแสนห่วงทั้งหลายของตนย่อมถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมีเพียงหนึ่งในร้อยหรือน้อยกว่านั้นที่ฟังแล้วบังเกิดความเลื่อมใส ย, ยินดีโดยแง่คิดมุมมองว่าเออวิเศษจริงหนอต่อไปไม่ต้องเหนื่อยยากหาสมบัติ ความไม่มีสมบัติเป็นเรื่องเบากายเบาใจยิ่งด้วยเพียงมุมมองที่แตกต่างมุมมองหนึ่งจะพาคนกลับมาห่วงหวงและรักษาสมบัติต่อไปแต่อีกมุมมองหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ดันด้นออกเดินทางต่อซึ่งผู้แจกเงินในหุบเขามหาสมบัติได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าไม่ง่ายหรอกนะ จะไม่ใช่การเดินทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะเหตุการณ์สมมุติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อฉันศึกษาเนื้อหาในพุทธศาสนาอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจเป็นเพราะจุดสะดุดของชีวิตที่หักเหให้ฉันมาสนใจพุทธศาสนานั้นคือคำว่าแก่นพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นแห่งใจอย่างไม่กลับกาเริบขึ้นอีก ซึ่งภายหลังฉันมาตรวจพบในจุรสาโรปะมะสูตรว่าพระศัสดาตรัสไว้จริงๆ จ, งจึงแปลว่าพุทธศาสนาในมุมมองของฉันจึงถูกจัดตั้งไว้แบบเล็งตรงเข้าเป้าตั้งแต่ต้นและนี่ก็ทำให้ฉันเห็นความสำคัญของสมาชิกบริษัทธรรมะหรือที่เรียกว่าพุทธบริษัทอย่างยิ่งยวด คนในบริษัทเน้นพูดเรื่องไหนมือใหม่ก็รับฟังไว้อย่างนั้นเป็นโอกาสเลือกทางของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีใครพูดถึงแก่นกันเลยหรือพูดเรื่องการเข้าถึงแก่นแบบเหนิยมเนียมทำนองรอไว้ชาติหน้าเถอะแบบนี้ก็อาจมีค่าใกล้เคียงกันคือคนในศาสนาพุทธจะพากันลืมหมดว่าพระพุทธเจ้า ก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นเพื่อการใดเมื่อสำรวจตนเองจนแน่ใจว่าเข้าใจแก่นสารของพุทธศาสนาชัดเจนถูกต้องแล้วก็เกิดการเล็งเห็นว่าตนเองจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นเลิกเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อเอา แต่เพื่อทิ้งทิ้งอะไรดูดีๆแล้วก็คือทิ้งทุกทิ้งสัมภาระพรุงผารังทั้งปวงนั่นเองคนเราพากันหวงทุกไว้กอดทุก์ไว้แนบอกแบกทุก์ไว้หลังแอนยังไม่รู้ตัวมีคนบอกให้ทิ้งยังร้องอีกว่าเรื่องอะไรจะทิ้งหรืออย่างดีก็ถามว่าทําไมต้องทิ้ง มองไม่เห็นเหตุผลสมควรเลยเหตุผลว่าทำไมต้องทิ้งนั้นต้องพูดกันยาวและธรรมดาเรื่องที่ต้องพูดกันยาวมีข้อแยกย่อยหยุมมยิ้มให้หาข้อเท็จจริงกับทั้งมีผลได้ผลเสียหลากหลายนั้นย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและต่างก็ต้องหาเหตุผลอันน่าฟังมาชักชวนให้ใครต่อใครเห็นคล้อยตาม สำหรับฉันเหตุผลลึกๆนั้นสารภาพตามตรงว่าไม่รู้ชัดเหมือนกันว่าอะไรมาบันดาลใจนักหนาเคยสุขเคยทุกข์เคยสนุกเคยเบื่อครบหมดทุกรสแบบคนธรรมดามาเหมือนคนธรรมดาอื่นๆทั้งโลกแต่ทำไมถึงอยากหลุดพ้นไม่อยากวนเวียนซ้ำซากจำเจอยู่กับการสลับฉากดีร้ายอีกต่อไป อันนี้ถ้าจะให้ยกแบบดาวส่งไปพลางพลางฉันก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะอดีตชาติเคยทำไว้ก่อนเคยมองไว้ก่อนเคยเห็นจริงไว้ก่อนนิสัยในชาตินี้จึงสอดรับกันคราวนี้มาสำรวจเรื่องความเข้าใจวิธีไปให้ถึงแก่นประมวลจากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนานนับปีที่ผ่านมาพูดตรงๆงฉันได้ข้อสรุปว่า ฉันยังไม่รู้ชัดสักเท่าไหร่ว่าตกลงจะให้เอาอย่างไรแน่เพราะตัวเองไปรับมาหมดเกือบทุกแนวแต่ละแนวก็ไม่เหมือนกันแม้จะพูดว่าให้ยึดหลักสติปัฏฐานสี่แต่ฉันก็ยังไม่รู้สึกว่าเข้าใจสติปัฏฐานสี่อย่างลึกซึ้งตลอดสายสักทีเวลามาอ่านสูตรใหญ่เช่นมหาสติปัฏฐานสูตรจะนึกเสมอว่า ไม่ลงรอยชนิดประกบสนิททุกฝีก้าวได้กับแนวใดของสำนักใหญ่ในปัจจุบันบางวันอาการหนักเกิดนึกถามตัวเองขึ้นมาด้วยซ้ำว่าปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติกันอย่างไรนี่เรากําลังทำอะไรอยู่ทำอย่างเนี้ยใช่การก้าวเดินไปตามทางมักทางผลแน่เหรอเอาละ่ะอย่างนั้นฉันจะลองนับหนึ่งใหม่เลย เหมือนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรจากใครมาทั้งสิ้นประสบการณ์ที่ผ่านมาขอให้ถือเป็นพื้นฐานเป็นการลองผิดลองถูกเป็นตัวช่วยให้ตระหนักว่าเรายังไม่เคยฟังพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมภาวนาจริ ง, จ, รงจังจังๆเลยสักครั้งสติปัฏฐานแปลว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งของสติ หรืออยากแปลแบบจำง่ายว่าสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติก็ได้แต่ต้องทางความเข้าใจว่าที่ตั้งของสตินั้นมีอยู่หลายชนิดการเรียนการงานทางโลกก็จัดเป็นที่ตั้งของสติแต่อย่างนั้นเป็นสติแบบโลกโลกเป็นสติแบบที่ทำให้รักตัวตนหวงตัวตนและอยากให้ตัวตนได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนฐานที่ตั้งของสติแบบปฏิบัติธรรมภาวนานั้นต่างกันคือเราเลือกจุดที่กำหนดใจรู้น้อมจิตระลึกขึ้นมาแล้วเกิดสติขึ้นมาเหมือนคนถูกปลุกให้ตื่นจากฝันที่เคยสำคัญว่าเที่ยงก็เห็นชัดว่าไม่เที่ยงที่เคยมั่นหมายว่าเป็นเราก็เห็นชัดว่าไม่ใช่เราฐานของสติอันถูกต้องนั้นโดยสรุปย่นย่อที่สุด ก็คือกายใจของเรานี่เองพูดอย่างเนี้ยเมื่อคนทั่วไปฟังก็อาจร้องว่าอะไรเหล่านี้มันก็สิ่งที่ฉันนึกนึกถึงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่นาข้อเท็จจริงก็คือคนธรรมดานึกถึงกายใจตัวเองอยู่เนืองๆ น, นั้นใช่อยู่แต่เป็นการนึกถึงด้วยอาการอยากให้มันเป็นหรือหลงนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่เห็นด้วยสติรู้เท่าที่มันกำลังเป็นอยู่ตามจริงยกตัวอย่างเช่นกายที่แท้เป็นของศกรปรกตั้งแต่หัวจรดเท้าขูดหนังหน่อยเดียวก็ได้ขี้ใครออกมาเจาะเข็มลงไปขาวเลือดก็โชยออกมายิ่งกรีดยิ่งลอกยิ่งถากสิ่งห่อหุ้มปิดบังออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนมากขึ้นเท่านั้น แต่เราก็ทนงในความเป็นสัตว์เนื้อหอมชนิดเดียวในโลกของตนเชิดหน้าชูคอเดินกันด้วยความรู้สึกสง่างามเต็มประดานี่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดของอาการหลงนึกว่ากายหอมสะอาดทั้งที่จริงเป็นความหอมของเครื่องชโลมกายและเป็นความสะอาดจากเครื่องประทินผิวจิตสำนึกของเราถูกหลอกด้วยผัสสะเ ท, ท็จเทียมชั่วคราว ชั่วชีวิตมนุษย์ยุคใหม่คนหนึ่งอาจไม่เคยตระหนักอย่างแท้จริงเลยว่ากายเป็นของเหม็นกายเป็นของศกรปรกนับแต่เกิดจนตายหรือตัวอย่างแบบเป็นนามธรรมาบ้างเวลาคนเราทุกข์หนักก็มักปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่านความทุกข์นั้นๆไปได้เพลเพลออาจทึกทักว่าวันเวลาที่เหลืออีกทั้งชีวิต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 ไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจและไม่อาจคงสภาพคิดคิดคิดได้ตลอดโดยไม่แปรรวนไปเป็นระดับอ่อนแก่ต่างๆเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ถูกจับได้ไล่ทันถูกแทรกแซงถูกแทนที่แล้วการที่ฉันจำไว้ว่าสติปัฏฐานสี่คือการรู้กายใจตามจริงหรือพูดง่ายๆว่า ฐานที่ถูกต้องของสติก็คือกายใจนั้นนับว่าเป็นการย่นย่ออย่างมากความจริงต้องจำแนกให้ละเอียดชัดเจนด้วยว่ารู้กายหมายถึงให้รู้ตรงไหนรู้ใจหมายถึงให้รู้นามา ร, รมที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะใดลองคิดง่ายๆว่าถ้าให้โจทย์เพียงจงรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยง เราจะกำหนดรู้กำหนดดูเข้าไปที่ตรงไหนแค่คำว่ากายคำเดียวคงคลุมเครือก่อความสงสัยแล้วว่าจะให้ดูความไม่เที่ยงที่ตรงไหนในเมื่อมันก็ปรากฏว่ามีปรากฏว่าเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีส่วนคำว่าใจยิ่งแล้วใหญ่อย่างไรเรียกว่าใจใจอยู่ตรงไหน ใช่ความคิดหรือเปล่าล้วนแล้วแต่หน้ากังขาทั้งสิ้นเชื่อไหมถ้าให้เรานั่งนึกวางแผนเองว่าจะดูอย่างไรจึงเห็นกายใจไม่เที่ยงเราเราท่านท่านจะนึกถึงสิ่งที่ดูไม่ได้จริงในทางปฏิบัติไม่เชื่อลองนึกในใจเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้คนที่คิดวางแผนกำหนดเป้าล่อให้จิตจะต้องมั่นใจด้วยว่า สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงแบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่สําหรับพระพุทธเจ้าท่านจะทรงคิดค้นวิธีดูกายใจด้วยองค์ท่านเองหรือว่าเป็นหลักการตายตัวที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วท่านเป็นผู้ค้นพบก็ตามสําหรับฉันบอกได้อย่างเดียวว่าพิจารณาตามแล้วเห็นเป็นอุบายมหาจรรย์ล้าลึกเสียจริงๆ เพราะท่านจำแนกกายใจออกเป็นเสี่ยงๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้ารู้เข้าดูอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสี่หมวดและจำนวนหมวดทั้งสี่นี่เองเป็นเลขห้อยท้ายคำว่าสติปัฏฐานหมวดเหล่านั้นได้แก่กายเวทนาจิตธรรม